ในโลกที่มีความวกน่นวในโลกที่ทุกคนต้องเดินรองที่ทรับซ้อนร้องร อ, องจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไร แต่เองชีวิตเองผ่านเองได้พบเองเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เ จ, ทเจอเธอจะคือกําลังใจเดียวที่มีไม่วานะทีนหนๆฉันดีใจที่มีเธอ แม่จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ในอุปสรรคที่มากมายในความวาดวันที่วุ่นวาย